7. สัปปานะวัต 1. สันจิตจะสิกขาบท114ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้จงใจปรงชีวิตสัตว์ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีจงใจปลงชีวิตสัตว์ในศินจิต จ, จะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐาน